จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอขุนภาษีรัตนาไตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยและท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนับสุขภาลรโดยทั่วหน้ากันเธอ